วันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถและก็ตรงกับวันหยุดของเราเนี่ยเมื่อก่อนในสมัยพุทธกาลก็ยังไม่มีการบัญญัติในเรื่องของวันพระก็มีรัฐธิศาสนาอื่นก็มีการบัญญัติการรวมกันที่จะมา ฟังธรรมของตามลัทธิต่างๆพระเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติขึ้นมาว่าถึงวันขึ้น8ดค่ำหรือว่าขึ้น15บ้าครือนวันแรม8ดค่ำแรม14บ่ค่ำก็ให้พุทธบริษัทมารวมกันนับพระศึกษาในพระธรรมคำสอน ขอพระพุทธเจ้านั่นเราจะได้มาฟังธรรมนั่นเองนะเพื่อให้เกิดสติหรือว่าเกิดปัญญาในการที่จะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้ดีขึ้นยังมีการสมทานในสินหนะ้าทั้งห้าข้อหรือว่าผู้ที่มีกำลังก็ตั้งใจสมทานอุโบสถศีลเพิ่มขึ้นอีกสข้อ ในข้อที่ไม่รับประทานอาหารตอนเย็นงดการประดับตกแต่งเนื่อดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่อ ง, องทาตลอดจนการดูการ เ, าเล่นต่างๆและการนั่งหรือนอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่อีก3ข้อก็เป็นสิน8ปดและเป็นสินอุโบสถเมื่อถึงในวัน หยุดวันที่เรามีสินหหรือสินได้ครบโทษเนี่ยเป็นการที่เราจะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้สูงขึ้นไปเพราะว่าจิตแต่เดิมนี่คืออะไรนะจิตนี้คือธาตุหนึ่งนะที่รับรู้ใน อารมณ์ได้เรามีอายตนะมีตามีหัวจมูกลิ้นกายนะมีใจเนี่ยใจตรงนี้หรือธาตุรู้อันนี้เนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้อาศัยการเห็นที่มีตาดีมีภาษาตาดีมีรูปมีแสงก็ส่งไปนะสู่ใจ เสียงกลิ่นรสผลน้ำพระก็เหมือนกันใจก็เป็นผู้รับรู้อารมณ์แต่ใจเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วนี่สำคัญตอนนี้ใจก็จะหลงไปหลงชอบหลงชังหลงรักหลงเกลียดหลงกลัวใจแต่เดิมที่เป็นประพัสสอนหรือประพัฒสังประัฒสอน เมื่อกิเลสมันจรเขามาภายหลังเนี่ยก็ทำใจของเราที่เคยประพัฒสอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้มันยังไม่ประพัฒสอนที่เป็นเสถียรภาพคงอยู่ตลอดไปมันยังเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วนะใจของเราถูกกิเลสครอบงาขึ้นมา ก็เปลี่ยนแปลงไปจากใจที่เป็นประพัชสอนมีความขาวมันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองหรือว่าเป็นสีดำใ น, นลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในคำว่าประพัชสอนนท่านสมมติอะว่าเมื่อมีเหล็ก สักท่อนหนึ่งเหล็กต้นนี้มันก็นเหมือนสีดำเมื่อถูกความร้อนระดับหนึงขึ้นมาเหล็กก็จะแดงนะเมื่อความร้อนมากขึ้นเหล็กก็เป็นสีส้มๆออกไปเรื่อยใ น, นที่สุดนะก็เป็นสีเหลืองนะนร้อนมากๆขึ้นมันมีความร้อนมากขึ้นไปอีกเนี่ย สีเหลืองมันก็ค่อยจางไปมันก็มันก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะเปล่งลัศมีเปล่งความเรืองรองออกมาจากในแท่งเหล็กนั้นน่ะความเรืองรองก็คือพัพศรของเหล็กคือเหล็กนี่มันเป็น พ, พอนอัพศรน่ะนึกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วนะ่นะน่ะมีแสงขึ้นมานะ่ะจิตนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้ามันไม่มี อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเข้ามาได้ไปยึดถือแล้วมันก็มีความประพัฒน์สอนอยู่นะทั้งตัดไปว่าจิตเดิมนั้นเป็นของประพัฒน์สอจิตต่างประพัฒน์สลังเมื่อกิเลสเข้ามาจรมาภายหลังแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาทีละน้อยนะนํามาขึ้นมากขึ้นมากขึ้น อ น, นที่สุดกิเลสมันก็ครอบงํามจิตมันกิเลสมันครอบคํามจิตมันครอบคํามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยไม่เห็นความประพัสอนของใจใจก็เลยไดยค้คุณค่าไปเมื่อใจได้คุณค่าเราก็เลยเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ามากกว่าใจเห็นรูกเห็นเสียงกลิ่นรสปัฏภะธรรมรมในโลกมีคุณค่ามากกว่าใจ คือใจหลงไปแล้วเห็นวัตถุทั้งหลายเป็นของมีค่าราคาขึ้นมาเพราะว่ากิเลสมันสอนจิตควบคุมจิตเอาไว้อย่างนั้นนล้วมก็สั่งสมมานานสั่งสมไปทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชาติในหลายล้านชาติขึ้นมาขึ้นก็เลยมองเห็นอะไรกิเลมันว่าอย่างไงมันสอนอยังไงใจของเราก็เลยน้อมไปอย่างนั้น ขันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงคนพบแล้วนี่มาจิตตั้งมะพัสสังจิตเศ้าหม อ, องไปนี่พระพุทกิเลสมันจรมาพระองเดเดมีปัญญาละกิเลสได้เป็นสมุเทเฉทพระหานในวันวิสาขาบูรณะมีเนี่ยเดือนหกที่ผ่านมาเนี่ยที่ครบรอบวันวิสาขไาด้บอ์กระเสวยวิมุตติสุขถึง4ี่เก้าวันนะใน ระหว่างนี้พระเจา้าก็เสวยเมื่ิตถิสุขอยู่เนี่ยในสมัยพุทธกาลนะถึงทรงดำเนินไปที่จะโปรดสอนเทศสอนพระปัญญวัปปีทั้งห้าที่ไปสรีปัฒนามุรีกษัยไทยวันแขวงเมืองพาราณสีนี่มาพระองค์ทรงค้นพบแล้วนะซึ่งความจริงว่า จิตนี้เนี่ยประพาสสอนก็ทำกลับให้เป็นประพาสสอนเหมือนเดิมได้แล้วก็เป็นประพาสสอนที่ถาวรด้วยก็รู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรถึงเราจะเกิดขึ้นมาในโลกเราไมา่ได้บวชเราเป็นคารวาดเราก็ปฏิบัติได้นามีสิน5ศสิน8ถ้าว่าใจเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลย มีความโลภโกรธหลงจิตก็ทำตามความโลภโกรธหลงไปเรื่อยๆไม่มีสินจิตนี้มันจะดำไปมากๆขึ้นเมื่อดำไปมากๆขึ้นมันก็หยาบนะมันก็ไม่ได้ดำธรรมดาดำเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะแทนที่มันจะขาวใช่ไหมมันจะดำเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่า คุณภาพของกิ่นมานลดต่ำลงจากมนุษย์แหละตอนไปเกิดในกาเนิดของสัตนเดรดิชาน่คุณภาพมันต่ำลงไปเดี๋ยวถ้ามันเมื่อไปขนาดนี้มันเราร้อนอย่างมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ทุกคนก็เคยสร้างบารมีมาถึงจะเคยตกต่ำไปอย่างนั้นเป็นไาถ้าเกิดมามากในชาตินี้เรามาเป็นมนุษย์แล้วทั้งกายทั้งใจแล้ว เราก็ไม่หลงไปกับกิเลสนั้นพยายามที่จะฝืนกิเลสนะจิตรวบรวงก็ถูกกิเลสครอบ ง, งาก็มีความโลภโกรธหลงแต่ตอนนี้เราเห็นโทษแล้วว่าถ้ามีความโลภไป็นมากๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์ขึ้นมานนัจิตมีแต่ความโกรธพยาบาทมากๆก็เศร้าหมองจิตมีความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเรามากๆ ก็ให้เกิดความโลภความโกรธเลยเราก็จะต้องมาพัฒนานะเห็นโทษแล้วเห็นภัยในพัตตะสงสารแล้วนะเราก็จะต้องมาพัฒนาใจแล้วจากที่เราก็มาเกิดในโลกก็จะยึดเอาโลกนี้เป็นของเรามีอะไรก็เป็นของเราหมดอยากจะได้ทรัพย์สินสิ่งของมากมากขึ้นมาเป็นของเราทางนั้นเลย แต่จะเป็นของเราได้ตลอดไม่ได้นั่งกายนี้วันหนึ่งก็ทานคนรัษาเมือ้อก็อยู่ได้มีเครื่องอยู่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคนั้นเราก็อยู่ได้นะไม่ได้ฟื่งเฟ้อไปพระพุทธเจ้าก็สอนเศ ร, รษฐกิจพอเพียงนี้ก็มานานแล้วสอนกับพระให้พระรนุจัก ผู้บังน้อยสนโน ด, ดในปัจจสี่ในนี้พระองค์บะเด์ส่งเสริมให้จิตของคนเรามุ่งประเดน็นด้านของวัตถุให้รู้จักพิจารณาในเรื่องของปัจจสี่จีวอนอันเปนเสนสนะและเภสัชพิจารณาให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อสวงหาธรรมะ คือความเป็นจริงคือไม่ได้สแสวงหาโลกนะโลกนี้สแสวงหาไปมากๆเข้ามันก็มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั้นแะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นั้นมากมายยิ่งความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็สแสวงหาในทางที่ผิดนะก็ยิ่งวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาต้องสแสวงหาในการที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรม ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะมีน้อยก็อยู่ได้ในโลกเนียในความสุขในความมีศีลนะในความมีศีลเมื่อเราได้มาแล้วแทนที่เราจะเป็นความโลภเก็บเอาไว้คนเดียวเราก็ทำบุญทำทานเสียสละทรัพย์เอาไปอีกนี่ก็คือการที่ทาน ทั้งวัตถุทั้งสติปัญญานั่นคือการให้ทานพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถ้าไม่มีการให้ทา น, นในเบื้องต้นแล้วศาสนาบุคคลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้พระก็จะอยู่ไม่ได้ต้องไปทำไร่ไทน้เหมือนกันนี่าพระท่านไม่ต้องไปทำอาชีพอะไรก็ใส่ว่าเราปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการให้ทานทำบุญแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญเมื่อเราแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญมาให้ทานแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้นไปและเห็นตามความเป็นจริงแหละที่พระองค์สอนว่า ยังกินจิตสมุทยัยธรรมังสพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปร่างกายนี้วัตถุสิ่งของภายนอกที่เราชอบใจนะก็เป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่มีวิญญาณคลอง รนสสัตว์ที่มีบัญญาณคองนวัน5เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้สอนว่าให้พวกเราเกดค้าในการศึกษาเรียนการทำการงานนั้นสอนให้ขยันสอนให้มีสติปัญญายในการเลี้ยงชีวิตนะในเบื้องต้นสอนให้ระบาปบำเพ็ญบุญ ในการนักเรียนก็สอนให้ละความขี้เกียจให้มีความขยันห้เรียนให้สำเร็จทำงานก็ให้ทำได้ความมีสติปัญญาพระพุทธเจ้าก็สอนไม่หมดแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วพระองค์ก็สอนต่อไปอีกให้พัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ประสบความสำเร็จในการเรียนในการทำารงานสอนให้พัฒนา ดวงจิตดวงนี้ให้สูงขึ้นให้มีคุณภาพขึ้นกว่าเก่ า, เ, กาเราก็เห็นว่าจิตที่มีความโลภขึ้นมาเนี่ยนะมันจะนําความทุกข์ให้กับใจทางนั้นเลยในกิเลสที่มันเกิดเนี่ยเมิ่มเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาใจเราเป็นทุกข์ทางนั้นน่นเดือดร้อนวุ่นวายทางนั้นเลย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เราได้รับนี้ก็เพราะกิเลสนี่เองถ้ามองข้างนอกก็ อ, อาจจะว่าเป็นเพราะอารมณ์เพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสปวดทำพระทำอารมณ์ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์อันนี้ก็มองไปข้างนอกก็ถูกแต่ถ้ามองภายในอยู่ที่ใจแต่ใจไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิด รู้จักรู้เท่าทันแต่เพราะว่าใจนี้มันวิ่งไปกับอารมณ์นี้ความทุกข์ยึงเกิดขึ้นใจยึงเศร้าหมองถ้าใจของเราเศร้าหมองไปมากๆขึ้นมันก็จะมืดมิดไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จักใจที่สะอาดสว่างสงบเราเมื่อเราทําทานใจก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อเรามีศีลตั้งใจดีๆ แม้ว่ายังจะมีความโลบโกรธหลงอยู่แต่ก็อดทนไว้นในศีลธรรมนี่อดทนไว้ไม่พูดไม่ทำํำละความคิดถึงจะมีความคิดอยู่ก็เป็นธรรมดาแต่เราไม่พูดไม่ทํำละนั่นก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีในโลบโกรธหลงเนี่ยแต่ก็อดทนไว้ นะบางครั้งมันก็คิดดีก็มีนะคิดดีด้วยพูดดีทำดีด้วยถ้ามันคิดไม่ดีเราก็ไม่ทําไม่พูดนี่แล้วก็เรามีศีลธรรมครนี้จะทําจิตของเราให้มันดีขึ้นมาก็ต้องมาภาวนาเนี่ยแหลนะให้มันสงบนะจิตที่มันเศร้าหมองอยู่นะมันก็จะได้ผ่องใสขึ้นมาเป็นพระพัสสอนโชคข่าว คืเราข่มกิเลสเอาไว้ได้เมจิตมีพุทธโธธรรมโมสังโคเนือเราจะเจรินเมตตาภาวนานี่จิตสงบเข้ามาแล้วน่ะนิ่งเข้ามาจิตก็เป็นพระพศรได้แล้วน้ำมันเหล็กที่เป็นสีขาวเรืองรองจิตของเรามันก็จะมีความเรืองรองขาวสะอาด ตัวกิเลสมันถอย ห, ห่างออกไปก่อนนี่เพราะว่าเราควบคุมจิตของเราเอาไว้ได้มีความสงบมีสติมีสมาธินัเราก็ต้องมาพยายามฝึกแหะแต่ถ้าเจ็ดวันครั้งหนึ่งมันก็จะไม่พอเราอยู่บ้านต้องพยายามสวดมนต์ภาวนาด้วยนะมองไปข้างหน้าว่าชีวิตก็ไม่แน่นอนอะไรลนะในที่สุดคนเราก็ตายนัเราเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกนี้ นะทุกคนก็ทอดทิ้งเอาไว้หมดนะคนที่เรารักก็เป็นบุตรภรรยาสามีมิดามานดาเพื่อนสนิทมิสหายต่างคนต่างไปเท่านั้นแหละทิ้งเอาไว้ในโลกนี้เนี่ยร่างกายนี้มันกระผุ่มก็พังไปดินไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไ ฟ, ไไฟลมไปตามลมไปนะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ นะมันวันเวลาหนึ่งก็ต้องจากกันไปอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าความดีที่เราทำก็จะเก็บในใจความไม่ดีที่เราทำก็จะเก็บในใจสิ่งเหล่านี้มันจะตามไปนะตามใจิตใจของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเมื่อสิ่งนี้จะต้องตามไปเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่ดีไปหรือสิ่งไม่ดีไปนะเราก็ต้องพยายาม เอาสิ่งที่ดีไปกระจายของเราพยายามที่จะละชั่วทำดีนะาใจให้ผ่องใสเมื่อมีโอกาสแล้วเรามีโอกาสมาปฏิบัติลนะนะโอกาสที่จะรับรู้ได้ในธรรมะมีอจตนะอายตนะเราก็เอาอตายของเรารับรู้สิ่งที่ดีการได้ยินในสิ่งที่ดี นั่นก็พัฒนาใจให้สูงขึ้นอย่างเราได้ยินธรรมะเน่ยนะเพื่อพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปล้พยายามทําใจของเราให้มีความสงบหรือมีสติให้ได้การยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกมีสติทําจิตใจให้เบิกบานอารมณ์อะไรที่มันเป็นบาปก็พยายามละ นายโยมไล่ๆไปเนี่ยรบกวนการต้องหาอะไรมากั้นเอาไว้ตรงประตูนั่นแหละทำไมกนนั้นล้วก็นะเข้ามาได้อยากทีมาฟังธรรมเหมือนกันได้ยินเสียงธรรมะมก็เข้ามาแต่ก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมนะแต่ก็ใจสบายก็ได้นะไม่ไปทุ่งๆก็ไดนะ้ใจสบายก็ได้ฟังรู้สึกสบาย เห็นคนมานั่งสมาีิก็อยากนั่งมั่งละคงจะดีใจด้วยแต่ว่ารับรู้อะไรไม่เด็ดมากแต่ตายไปก็เป็นเปนสวรรค์ดได้เหมือนกันนะในสมัยพุธการนะนมีเหมือนกันนะนะข้างคาวฟังสวดอภิธรรมจิตใจดิ่งลึกลืมไปเลยหรือว่าคงจะปิดติเกิดมากสุขเกิดมากไม่อยากเกิดเป็นข้างคาวแล้ว น่าเลิกได้ว่าเคยเป็นพระด้วยนาพัฒนส่วนอิธรรมในถ้ ำ, ำนะนา่าเกได้โอ้เราก็เคยเป็นพระสวดทริธรรมมาแล้วนาพัฒนส่วนอิธรรมอยู่ฟังแล้วซึ้งใจมากน่าเรามาเป็นข้างเข่าเกาะอยู่ในถ้ำเนี่ยยอมตายดีกว่าลงข้างเข่าฆ่าตัวตายไปกันแหะนะคงจะปล่อยมือปล่อยเท้าอย่างเดียวตกมาคงไม่ได้คงจะแบบใช้กําลังบินลงมาเลย ใช้กำลังบินมาแรงๆเอาหัวชนพื้นทาดีกว่าตายหมดเลยห้าร้อยกระตั่ไปเกิดเป็นชาวประมงห้าร้อยะภาษาิบุตรก็ทราบความแล้วว่าชาวประมงห้าร้อยคนนี้เคยเป็นข้างข่าวแล้วเคยเป็นพระเคยเรียนอิธรรมมาไงชาตินี้เป็นชาวประมงก็เลยไปเทศสอน มาบวชปฏิบัติธรรมะก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เลยเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นวิบากกรรมของของกิจนี่แหละไม่เกิดในสัตว์เดรัจฉานแต่จากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์กรรมดีให้ผลนี่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือแบบบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าประมาทในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อย่าประมาท เราก็ไม่เบียดเบียนจะเลื่อเ ม, อเ ม, อเเมตตาจิตไว้แล้วก็พัฒนาจิตของเราด้วยมีเมตตาว่าเขากาลังได้รับผลของกรรมอยู่แล้ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละตอนนี้ได้รับผลของกรรมก็เกิดเป็นสัตว์ทําเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีหน่อยถ้าสัตว์เกิดมาแล้วก็ถูกเลี้ยงเอาไว้ฆ่าอย่างเดียวามากินเนื้ออะไรก็มีความทุกข์ทรมาน เะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสดีแล้วพยายามพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นใไปอย่างน้อยเป็นมนุษย์ค ง, งที่ไว้คือมีศิทธหาจากมนุษย์นี่ตายไปแล้วก็เป็นเทวดาเทวดาลงมาเป็นมนุษย์จนขกว่าเราจะได้มีกําลังของกิจเห็นธรรมะทําสมาธิได้จิตใจตั้งมัน่นเฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราบางทีอาจจะน้อยเนื้อต่ํำใจมาเกิดขึ้นมาชาตินี้ ทำไมเมื่อก่อนเราทั้งลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเกิดขึ้นมาก็ลำบากปัจจัยสี่ก็ขาดแคลนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาการศึกษาก็อาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะอยากจะเรียนเป็นสูสงๆก็ไปไ ด, มได้มีบุญบา ร, รมีก็แตกต่างกันไปแต่ถ้ามองแล้ว น่นก็เป็นทุกขอริยสัจให้เราพิจรารณาเหมือนกันนะพิจารณากันว่าเออมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยถึงจะมีอะไรสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่พบกับความสุขหรอกเมื่อยังไม่มีเงินทอง ม, มากๆก็นือว่ามีแล้วจะมีความสุขมีแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ใจเนี่ยถ้ากิเลสหมดจากใจนั่นแหละถึงจะไม่มีทุกข์ เม่ใช่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจจะมีความสุขไปด้วยไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องบวชแล้วไม่ต้องประสบงหาแล้วพระพุทธเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่นะเป็นมหาบุรุษมรรมีเต็มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเลยแต่ก็เห็นว่าความพัดผ่าแก่กันล่ะเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว ความพัดภาคจากกันมันเป็นทุกข์อย่างมากนะเหมือนเรามีของรักแล้วสิ่งนั้นจะต้องจากเราไปเนี่ยมันจะทุกข์ไหมมันทุกข์มากเลยนะทําไมต้องพัดภาคจากกันไปด้วยนั่งพุทธเจ้าพิจารณาโอ้พระองค์ทรงมีพนางพิมพ์าแล้วเป็นผู้เลิศแล้วเป็นคุลสตรีที่เลิศแล้วแล้วจะต้องมาพัดภาคจากอีกจากวิดามาดาต้องจากกันไปอีกอย่างเนี้มันทุกขนะ์นะมันทุกข์มาก จะต้องหาที่ว่าจะต้องไม่มีความทุกข์เลยในจิตองค์งคนพบมีปัญญาก็เห็นว่าจิตที่ละโลภโกรดหลงไปได้แล้วคือนิพพานนั้นไม่มีทุกข์ละเป็นจิตที่พระพัทสอนตลอดเวลาไม่ไม่กลับมาเศร้าหมองอีกหรือมีเสถนรภาพสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวเองแล้วนะจิตเนี่ยพัฒนาสูงสุดถึงนิพพานได้ถ้าต่ำสุดลงไปมันก็ลงไป เอาเวจีมหันโลกได้เหมือนกันไม่ได้ความเราร้อนทุกยกตัวอย่างว่าเราอยู่ในความฝันในโลกนี้ไม่มีขนาดที่เราหลับวันยังอาจจะแปดชั่วโมงเราอยู่ในความฝันเนี่ยนะโลกนี้ไม่มีเลยอยู่อีกโลกหนึ่งแหละขนาดนั้นเป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยเห็นไหมเป็นความสุขทุกข์ในจิต เราลืมตา ม, มาจนเออมันไม่ใช่ความจริงนะมันฝันไปแต่ว่าถ้าตอนตายไปแล้วมันมีแต่จิตอย่างนั้นอ่ะมันทกกระทุกไปตลอดน่ะนะเจงกว่าจะหมดกรรมสุข ก, ก็สุขไปมันธรรมดาเจงกว่าว่าจะหมดบุญนั่นมันก็ยาวนานยาวนานมากเพราะฉะนั้นยังไงชาตินี้นนเราต้องไม่ประมาทละต้องคิดว่าเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราเดินทางไกลเราก็ต้องมีสเสบียง เราก็ต้องสร้างความดีไว้มีฐานไว้มีศีลไว้มีการภาวนาไว้ต้องพยายามสร้างความดีให้มากอะไรเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลพยายามสร้างไว้ในจิตของเรามีความดีให้มีความผ่องใสขึ้นถ้าจิตเป็นเทวดาเนี่ยนะมันก็มีความขาวสะอาดบ้างถ้าจิตมันมืดเน่ยมันก็ดาเลยถ้าจิตมันดีขึ้นมาหน่อยมันก็แดง สมมติว่าตินี้ก็มานาก็สีส้อมอย่างนี้ก็เบาลงละ่ะณจิตมีปิตินั่นก็เป็นสีเหลืองเนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วที่เราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมะ น, น่าจะรู้ธรรมหรือว่าเห็นธรรมะเนี่ยเพื่อให้จิตของเราก็ประพัสดุ์ขึ้นมาพราะเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดมีปิติมีความสุขใจเราจะรู้ว่าโอ้จิตนี้เมื่อมีอารมณ์พุโ ท, ทโธธรรมโสงโกอยู่ มีความสงบนี่มันมีความสุขอย่างนี้มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งคนนี้เราไม่จะสุขเกิดขึ้นได้ในการเรารวมจิตของเราให้นิ่งนี่เองจิตของเราวิ่งไปกับอารมณ์ที่เราชอบใจมากๆมันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนัะ่นก็ต้องการสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นอีกมันเป็นปัญหาอัาเป็นั้นพวกเราในวันหยุดบรรพระบรรสิน สุดสัปดา์ก็มาแสวงหาธรรมมาพัฒนาจิตให้กลับไปมีความประพัฒน์สอนเหมือนเดิมนะจิตทั้งประพัฒสรังนะจิตประพัฒสอนพากันฝึกฝนอบรมในทานศีลภาวนาเ น, นี่แหละในศีลธรรมที่ปัญญาเป็นมรรคแปดเพื่อให้จิตของเราได้ไปจุดสูงสุดก็คือ น, นิพพานลงมากับมาเป็นพรหมลงมากับมาเป็นเทวดามนุษย์ นะพัฒนาอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเรารู้ทำคามเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งหนึ่งมันย่อมดับไปการเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็น้อยลงละ่ะนะมาเรียนรู้อีกสักเจชาตินะสมชาติหนึ่งชาติชาติเดียวในสุดขลุดพ้นไปได้มันต้องกลับมาเกิดอีกแล้วมานต้ไปเกิดในภพไหนอีกก็นิพพานนะเราต้องหบ่นพยายามแล้ววัในวันหนึ่งคืนหนึ่ง นะการทำการงานของเราก็ททำแล้วเพื่อร่างกายนี้อยู่ได้การงานทางจิตเราต้องทำให้มากขึ้นด้วยนะควบคู่กันไปกับการทำการงานด้วยคือมีศีลธรรมมีการภาวนามีสตินั่นแหละจะพัฒนาจิตให้เป็นพร ะ, พระสอนอย่างถาวรนะเจริญพอญ